ความสุขอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะนั่นสีเรไปหาอย่างอื่นทาไมไม่หาใจความสุขอยู่ที่ใจแต่ไปหาที่เงินหาที่รูปเสียงกลิ่นรสไปหาที่ลาบยศสะลรเสรญที่นั่นมันเป็นความทุกข์ก็ได้มาเราต้องทุกข์กับมัน ได้อะไรมาก็ต้องทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราได้มามันไม่แน่นอนมันสามารถที่จะจากเราไปได้ทุกเวลานาทีเราจากไปเราก็ทุกข์กันแต่เราไม่รู้กันเราไม่คิดกันเราคิดแต่ว่ามีแล้วมันสุขแต่ไม่คิดถึงตอนเวลาไม่มีเวลาไม่มีมันทุกข์ แทนที่จะหาความสุขกันเราก็เลยหาความทุกข์กันเพราะขาดปัญญามองไม่เห็นไตรลักษณ์มองไม่เห็นของทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขนั้นมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้ สั่งให้เขาเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งที่จะต้องมีการท้าทากจากกันอันนี้เป็นเรื่องของโมหะความหลงหรืออ ว, วิชชาความไม่รู้เหมือนเด็กไม่รู้ว่าไฟมันร้อนพ่อแม่จริงต้องคอยห้ามเลยหนูอยไปเล่นกับไฟแต่ห้ามยังไงมันก็ มันก็ห้ามไม่อยู่พอเผลอเดี๋ยวก็ไปเล่นกับไปพอเล่นแล้วถึงจะรู้ว่ามันร้อนแต่ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันร้อนมันก็ยังอดที่จะอยากจะเล่นไม่ได้พรามันติดมาเป็นนิสัยเราเราอาจจะรู้ว่าราบยศจัลเสรรญรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นทุกข์แต่เราก็อดไม่ได้ เมันเป็นเหมือนอยาเสพติดคนติดยาเสพติดเขาก็รู้ว่ามันไม่ดีนะแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะเสพเพราะว่าเวลาไม่ได้เสพมันมันทรมาน mm hmm. ก็เลยต้องหาเสพเสพแล้วก็ติดเวลาไม่ได้เสพก็ทรมานแต่ก็ต้องก็ต้องเสพเพราะต้องห้าม พราะไม่อยากจะทรมานมันติดแล้วเลิกไม่ได้ mm. พวกเราทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ mm. เป็นพวกติดยาเสพติดทั้งนั้ น, mm. ต, นติดลาบยศสรรเสิญติดรูปเสียงกลิ่นรสตา่ตางๆ mm. ทวันนี้ตั้งแต่ตื่นมาจนหลับเนี่ยใจเราจะคิดอยู่กับการหาลาบยศสรรเสิญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ตลอดเวลาทุกิกริยาบทของการเคลื่อนไหวถทาจะว่าได้เคลื่อนไหวเพื่อไปหาสิ่งเหล่านี้หาลาบหายุหาสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสเวลาหาไม่ได้หรือเวลาสูญเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจทุกทรมานใจ <Yeah. S 2> เราไม่รู้ว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนกัน <Yeah. S 2> เราจรึงต้องมาอาศัยผู้ที่รู้พุ <Yeah. S 2> ทธะคือผู้รู้ <Yeah. S 2> พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน <Yeah. S 2> แล้วก็มาสอนผู้ที่ศึกษาเ <Yeah. S 2> ชื่อศรัทธาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ก็ได้พบความสุขที่แท้จริงก็กลายเป็นภาษาวกขึ้นมาพระหลันตัสสาวกนี่ก็ไม่ได้มาจากใครที่ไหนมาจากพวกเรานี่ะพวกที่หลงพวกที่ไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนพอได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระธรรมคาสอนก็ดีพบกับพระอริยสงสากก็ดี ก็เกิดหูตาสว่างขึ้นมา mm hmm. เห็นทุกตามที่พุทธเจ้าส่งสอนว่าราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันเป็นทุกข์แล้วก็เห็นวิธีที่จะให้เราได้เข้าหาความสุขที่แท้จริง mm hmm. ความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบของใจ mm hmm. ใจของพวกเรานี้ไม่เคยสงบเลย มีแต่หมุนเติ้วหมุนเตี้วอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นรถยนต์ก็แบบว่าไม่มีเวลาจอดเลยวิ่งตลอดเวลาจนเครื่องมันร้อนเพราะไม่มีเบรกหาเบรกไม่เจอถ้าขับรถแล้วไม่มีเบรกนี้ทำไงจะจอดมันจอดไม่ได้มันก็จะวิ่งไปเรื่อย ใจของเราไม่มีเบรกนะใจเราเไม่เคยสงบไม่เคยหยุดหยุดอะไรก็หยุดคิดไงใจเราคิดตลอดเวลาคิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็คิดคิดว่าจะไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาลูกเสียงเกิ็นลดที่ไหนดีคิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ไปไปวุ่นวายไปกับการหาลาบยศสรรเสริญ หาลูปเสียงงกิ็ดรดกันพอเหนื่อยกลับมาบ้านก็พักผ่อนหลับนอนตื่นขึ้นมาก็ไปทุกวีทุกวันไม่ว่าวันทํางานหรือวันหยุดวันทํางานก็ไปหาเงินหาราบยศกันวันหยุดก็ไปหาลูปเสียงงกนลนดรดกันไปเที่ยวกันเนี่ยไปเที่ยวก็ไปหาลูปเสียงเกลด็ดรด พอเวลาเราเที่ยวเราก็ใช้ตาใช้ตาเที่ยวใช้หูเที่ยวใช้ลิ้นใช้จมูกเที่ยวเที่ยวหารูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมาเสพเสพแล้วก็เกิดความสุขแต่เป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วก็จางหายไปไปเที่ยวเสร็จกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปก็ ทำให้เกิดความว้าเวขึ้นมาความว้าเวก็เป็นความทุกข์แบบนี้หรือความหิวความอยากอยากจะเที่ยวก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาคือไม่เจอความอิ่มไม่ได้พบกับความอิ่มจากการหาความสุขเหล่านี้ความสุขเหล่านี้ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอแต่จะให้ความหิวความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ทาให้อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้อยู่บา้บานก็ต้องมีอะไรให้เสพมีทีวีมีอะไรให้ดูให้ Hay ฟังมีอาหารเต็มตู้เย็นมีคอยให้เสพอยู่ตลอดเวลานี่แหละเป็นเพราะวา่าเราไม่รู้ว่า นี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขไม่ใช่เป็นความสุขที่จะทำให้เราอิ่มทำให้เราพอแต่มีแต่จะทำให้เราหิวให้เราอยากแล้วพอเราหิวเราอยากเราก็อยู่เฉยๆไม่ได้เราก็ต้องไปดิน้นรนไปทำอะไรตามความอยากต่างๆทำได้เท่าไหร่ทำมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอความอยากมันก็ไม่หมด ความหิวความอยากความต้องการมันก็ไม่หมดนี่แหละเป็นความมืดบอดความโง่อของพวกเราไม่รู้ว่าการที่จะทำให้ใจเราสุขให้อิ่มให้พอทำอย่างไรถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไม่ต้องพบทั้งสามองค์ องใดก็ได้เป็นตัวแทนกันได้พบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนเจนอ่านหนังสือธรรมะนี่ก็ได้พบกับพระธรรมคำสอนฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาก็ได้ได้พบกับพระอริยสงสาวบกหรือถ้าไปเกิดในสมัยพระพุทธกาลนะได้เจอพระพุทธเจ้า ก็จะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่ไม่ว่าจะเจอองค์ใดทั้งสามองค์นี้จะสอนเหมือนกันคำสอนเหมือนกันจะสอนให้เรามาหาความสุขด้วยการทำใจให้สงบกันถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีแต่คนสอนให้ไปหาลาบยศสารเสนหารูปเสียงกล่ดรอดกัน พ่อแม่นี่พอเราโตก็ออกมาจากท้องแม่พ่อแม่ก็สอนให้หาราบยศเสรเสรหาความสุขทางตาหูจมูกยิ้นกายพาอเอาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกใหซื้อตุ๊กตามาให้นี่ก็ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกซื้อตุ๊กตาซื้อของเล่นซื้อขนมซื้อลูกอมซื้ออะไรให้กินมันก็เป็นรูปเสียงกลินรสทั้งนั้น ไม่มีพ่อแม่คนไหนสอนให้หนูนั่งสมาธินะหนูรักษาศีลความสุขอยู่ตรงนี้อย่าอย่าไปเอาตุ๊กตาอย่าไปเอาขนมอย่าไปเอาของเล่น้เด็กก็ไม่ขออะไรขอแต่ของเล่นเห็นไหมปีใหม่คริสมาสนขอของขวัญเงนขอไอ้ตุ๊กตาขอของเล่นอะไรหลัง ปีไหนของเล่นกำลังฮิตก็อยากจะได้อย่างนั้นกันอมาเล่นแล้วก็เพลิดเพลินสุกเดียวเดียวเวลาได้มาก็ดีใจเล่นกับมันไปสักพักก็เบื่อหายตื่นเต้นหายสุขก็อยากจะหาของเล่นใหม่นี่แหละมันเราอยู่ในโลกของคนที่หลงทุกคน พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาสนิทมทิสหายพี่น้องเพื่อนสูงเหมือนกันหมดเลยหลงกันเหมือนกันหาความสุขไม่เจอกันมีแต่ความสุขแบบตะครุบเงารู้จักเงาไหมเคยเห็นเงาไหเวลามันทอดไปข้างหน้าเราลองไปตะครุกเงาอยู่เยจับมันได้นะพอจะไปจับหัวมันมันไปนู่นแล้วหัวมันเลื่นหนีไปเรา นแหละความสุขแบบรับยศสละเสริญแบบรูปเสียงกลิ่นรสก็เหมือนแบบตะคุกเงาคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขพอได้มาปุ๊บอ้าหายไปแล้วสุขเดียวเดียวไปเที่ยวสุขเดียวเดียวกลับมาบ้านหมดไปละไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดืม่มไปทําอะไรเสร็จสุขเดียวเดียวพ อ, อกลับมาบ้านหายไปแล้วเนี่ย คือความหลงที่เรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอวิชชามันจึงหลอกเรามันมันหลงมันคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสมันก็ปั่นใจให้เราคิดปั่นให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสอวิชชาปัจจาสังขาราสังขารก็ส่งไปหาวิญญาณเพื่อจะได้ไปที่ตาหูจมูกมืนกาย ร่างกายเราตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเชื่อมกับใจเป็นสะพานเชื่อมด้วยวิญญาณหรือถ้าแบบโทรศัพท์มือถือเนี่ยเวลาที่เราจะใช้สายเสียบเพื่อจะได้ฟังเพื่อจะได้พูดเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปพูดที่เครื่องเราใช้ใช้ใช้สายเสียบมันเสียบไปที่เครื่องโทรศัพท์เราก็ สามารถพูดได้ฟังได้ฟังเสียงได้ใจเรานี้ไม่มีตาหูจมูกมนิ้งกายแต่ใจเราอยากจะสัมผัสกับรูปเสียงเกลด็ดนสดใจเราเลยต้องมีสะพานเชื่อมระหว่างใจกับร่างกายใจเป็นคนหนึ่งร่างกายเป็นคนหนึ่งร่างกายมีตาหูจมูกมนิ้งกายใจไม่มีตาหูจมูกมนิ้งกายแต่ใจมีความอยาก อยากสัมผัสรูปเสียงกลิ่นนั้นก็เลยส่งสพานมาเชื่อมที่ตาหูจมูกลิ้นกายพอเชื่อมกันปั๊บใจก็สามารถรับรูปจากตาได้ตาของร่างกายพอลืมตาเห็นรูปขึ้นมารูปก็จะวิ่งเข้าไปที่ใจใจก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้เห็นรูปแล้วเห็นรูปที่ชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนรูป ันไปหารูปที่ชอบรูปที่ไม่ชอบก็หนีมันนี่คืออวิชชาความไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ใจอยู่ในตัวเองอยู่ที่ความสงบกลับไปคิดว่าอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสก็เลยต้องคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสคิดไปที่ตาส่งไปที่ตาให้ตาช่วยหารูป ให้หูช่วยหาเสียงรับเสียงให้พอได้รับแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาพอได้เห็นได้สัมผัสกับรูปเสียงกล็ดร้ก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกทุกข์ทุกข์กรูสสส้สุก้สัมผัสกับรูปที่ชอบก็สุขสัมผัสกับรูปที่ไม่ชอบก็ทุกข์เห็นคนที่เรารักนี่ก็สุขดีใจ เห็นคนที่เราไม่รักก็ไม่สุขทุกข์ึ้นมาแล้วพอเกิดความรู้สึกก็เกิดความอยากอยากให้สิ่งที่เราชอบอยู่กับเราไปนานๆาถ้าเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอ เ, เกิดความอยากก็เกิดอุปทานความยึดมั่นยึดติดกับสิ่งที่เราชอบ ไม่อยากให้เขาจากเราไปอยากอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดพอเขาหรือเราต้องจากไปาะเราก็ไม่เที่ยงเขาก็ไม่เที่ยงเราก็ต้องไปหาใหม่ก็ไปไปไ ป, ไปเกิดพบใหม่ไปพบใหม่ภาวะก็คือพบอยู่พบนี้แล้วเดี๋ยวพบนี้จบพอร่างกายนี้ตายไปพบก็จบพบนี้ก็จ บ, บ, ก, จบก็เลยไปหา ไปพบใหม่เพื่อจะได้ร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้เกิดใหม่พอเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เนี่ยนี่คือการดำเนินชีวิตของพวกเราตามที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในปฏิจจส ม, มุป บ, บาทเป็นแผนที่เป็นแผนที่เดินทางของจิตใจเราจากพบหนึ่งไปสู่อีกพบหนึ่ง ไปด้วยความคิดปรุงแต่งคิดเติ่งขึ้นมาลืมตาก็คิดละคิดว่าวันนี้จะไปหาดูเสียงกลิ่นรดที่ไหนดีไปหาลาบยศสรรเสริญที่ไหนดีแล้วก็พาร่างกายตลอดตลอดไปหาพอได้สิ่งที่ชอบก็สุขพอได้สิ่งที่ไม่ชอบก็ทุกข์แล้วก็พยายามที่จะหนีจากสิ่งที่ทุกข์พยายาม หาสิ่งที่ชอบชีวิตก็เลยคุ ก, คคกเข้ากันไปกับทุกข์กับสุขไปจนกว่าร่างกายจะแก่เจ็บตายพอแก่เจ็บตายก็ทิ้งร่างกายอันนี้ไปไม่สามารถอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขได้ก็ไปรอหารอรับร่างกายอันใหม่ไปรอพ่อแม่คนใหม่ พอพ่อแม่คนใหม่แต่งงานกันเดี๋ยวก็เขาก็มีท้องมีลูกขึ้นมาใจนี้ก็ส่งกระแสวิญญาณนี้ไปเกาะติดที่ร่างกายใหม่ติดเกาะที่ตาหูจมูกนิ้วกายใหม่พอคลอดออกมาก็เกิดความอยากสัมผัสกับลูกเสียงกินแล้วก็ร้องพอเวลาร้องแม่ก็หาอะไรมาให้อะ หาลูกหาเสียงหากลิ่นมาให้ก็หยุดล้องชั่วข่าวที่ร้องเพราะหิวน้ำหิวนมก็เอามาให้พอโตขึ้นมาหน่อยก็หิวอยากเล่นมีของเล่นพอมีของเล่นก็ไม่ร้องเด็กแม้กระทั่งนอนแบบบอกเขายังต้องมีปลาทองปลาอะไรห้อยอยู่บนให้ดูให้เพลิด <c oughs> เพลินพอดูแล้วมันก็ไม่ร้องพอไม่ดูไม่มีอะไรดูแล้ว รู้รู้จะทําอะไรเขาล้องขึ้นมาเขาก็เลยมีของมารอดเด็กตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่แ บ, บะเบานีก็ติดนะมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นแล้วนะ ต, ต้องมีรูปมีเสียงใช่ไหมของที่เข้าห้อยอยู่บนบนบนเตียงเด็กเนี่ยบนแคร่เด็กเนเป็นสมัยก่อนเป็นปลาเคยเห็นไหมปลา พอใหอยู่แล้วก็มีเสียงกระดิ่งเสียงอะไรได้ยินได้ฟังนี่แหละการหาความสุขของเราหากันมาแบบนี้ไม่รู้กี่แสนล้านรอบละตายไปก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่ก็หาความสุขแบบเก่าเนี่แหากันมาทุกครั้งจนชานาญไม่ต้องสอนมีแต่ต้องคอยห้ามคอยเบรก เพราะว่าถ้าไม่สอนวิธีหากินนะเดี๋ยวปล่อยให้หาแต่ของเล่นของเที่ยวเดี๋ยวจะอดตาย mm hmm. อเลยต้องห้ามก่อนตอนเป็นเด็กๆต้องบังคับให้ไปโรงเรียนให้ไปเรียนหนังสือไปหาวิชาความรู้ให้ไปหัดทํางานจะได้รู้จักหาเงินเป็นพอหาเงินแล้วก็อาทีนี้ก็ปล่อยให้ทําตาม ความอยากอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีแฟนก็จัดการสู่ขอให้จัดการแต่งงานให้ตอนนี้รู้จักเลี้ยงตัวเองแล้วพึ่งตัวเองได้แต่ตอนที่ยังเรียนไม่จบนี่ต้องคอยเบรคอยห้ามไม่ให้ไปมีแฟนแล้วไม่มีแฟนเดี๋ยวใจแตกเรียนไม่จบ บางทีไม่ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็ท้องก่อนจะจบก็มีก็จะเรียนไม่จบเวลาเรียนไม่จบจะไปหางานทำเขาก็ไม่รับรับแตนงานที่ไม่ไม่มีไม่ได้ไ ม, ไดมีไม่ได้ใช้ความรู้ใช้แรงงานกไ็ได้เงินได้เงินเดือนขั้นต่ำถ้ามีปริญญาก็จะได้ ได้เงินเดือนที่ดีที่สูงกว่ามีรายได้มากกว่าจะได้สบายไม่ต้องยากลำบากการใช้แรงงานกับการใช้สมองนี่มันต่างกันทำ ง, งานใช้สมองก็นั่งอยู่บนโต๊ะขีดเขียนเขีย น, นสั่งพูดอะไรกันเดี๋ยวก็ได้เงินได้ทองะถ้าไ ม, มีความรู้ก็ต้องแบกข้าวแบกของ ไปกวาดไปถูไปเช็ดไปล้าง่างคนในบริษัทเนี่ยมีคนทุกระดับเนระดับการศึกษาต่ำก็ทำงานทางานที่ใช้แรงงานมากระดับการศึกษาสูงก็ใช้แรงงานน้อยใช้ความรู้มากมคนที่เป็นหัวหน้านี่เห็นไหมเปินเงยเดือนมากกว่าลูกน้องหลายเท่าเลยแล้วก็ไม่ท่องออกแรงเลยออกแรงปาก กับแรงสมองแรงความคิดนันเอเขาคิดใส่เก็สั่งงานเอ้าทำนู่นทำนี่พอสั่งแล้วเดี๋ยวงานเงินก็เข้ามาถ้าไม่มีคนสั่งก็ไม่รู้ใครไม่มีใครรู้จักวิธีหาเงินกันคนที่เป็นหัวหน้าเขาเลยมีมีรายได้สูงเพราะเขาเป็นคนสำคัญมีความรู้มากนี่คือพูดถึง ชีวิตของพวกเราเนี่ยทำไมเราต้องมาเรียนมาหาความรู้กันก่อนเพราะเราจะได้มีเงินทองที่เราจะได้เอาไปใช้ตามความอยากต่อไปส่วนหนึ่งก็มีไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอแล้วพอมีเหลือก็ไปซื้อไปใช้ตามความอยากกันว่าเรายังอยากได้สิ่งต่าง มาให้ความสุขกับเราแต่ต่อให้เราหาได้เงินมากน้อยเท่าไหร่ซื้อของมามากน้อยเท่าไหร่ก็ได้ความสุขแบบเดียวกันทุกคนเป็นความสุขแบบควันไฟความสุขแบบชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปหมดไปแล้วก็ต้องหาใหม่หามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเหมือนเติมน้าไปในตุ่มที่มีรอยรั่วเติมไปเท่าไหร่มันก็ มันเต็มเดี๋ยวเดนะียวพอสักพักมันก็รั่วออกมาซึมออกมาถ้าอยากจะให้น้ำเต็มก็ต้องเติมใหม่พอเติมเข้าไปให้มันเต็มเติมจนล้นแล้วเดี๋ยวมันก็ร <c oughs> ่ อ, องลงไป <c oughs> นี่คือการหาความสุขของมนุษย์ทั้งหลายของสัตว์เดราชานทั้งหลายหาความสุขแบบนี้ก็ไม่รู้จักความสุขอีกแบบหนึ่ง ความสุขที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้ากับพระสาวกเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ลงคนพบด้วยพระองค์เองเมื่อก่อนที่จะพบความสุขแบบนี้พระพุทธเจ้าก็หาความสุขแบบเดียวกับที่พวกเราหากันอยู่อยู่ในวงังเห็นไหมมีปราสาทสามฤดูเห็นไหมคิดว่ามีปราสาทหลายหลังเราจะมีความสุขหลังเดียวไม่พอก็เลยต้องสร้างสามหลัง เพราะต้องอยู่สามที่เวลาหนาวก็หนีไปอยู่ที่มันไม่หนาวเวลาร้อนก็หนีไปอยู่ที่มันไม่ร้อนอเวลาฝนตกก็ไปอยู่ที่ที่ฝนมันไม่ค่อยตกย้ายที่เหมือนคนสมัยนี้เห็นไหมชาวต่างชาติตอนนี้หนาวบ้านเขาเหมือนกับเป็นตู้เย็นนะตู้ตู้แช่แข็งเนี่ย เขาก็เลยหนีมาอยู่เนี่ยมาอยู่เกาะพังงานเนี่ยไป <bathroom> <ắng> อยู่ที่นั่นไม่ต้องใส่เสื้อผ้าล่อนจ้อนได้ถ้าอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้หนาวเนี่ยเขาก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเหมือนกับคนสมัยนี้พระพุทธเจ้าเมื่อก่อนเป็นเจ้าชายก็เลยมี มีเงินมีทองมีความสามารถที่จะเปลี่ยนที่อยู่ได้ที่นี้หนาวจัดก็ย้ายไปอยู่ที่มันไม่หนาวมากที่ไหนร้อนก็ไหนไปอยู่ที่มันไม่ค่อยร้อนที่ไหนฝนตกมากก็เปลี่ยนไปที่ที่ฝนไม่ค่อยตกเลยมีภาษาสามฤ ด, ดูลำดับฤ ด, ดูร้อนฤ ด, ดูหนาวฤ ด, ดูฝนแต่มันก็ต้องย้ายไปย้ายมาอย่างนี้ แล้วความสุขที่ได้มันก็หมดไปได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็หมดไปแล้วพอไปเห็นว่าตัวเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ทีนี้ก็เกิดความวิตกขึ้นมาแล้วสิวาต่อไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายมันจะทาไม่ได้แล้วเนมันจะโยกย้ายไปไหนมาไหนมันไม่ไหวแล้วอแล้วมันจะหาความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกาย ก็หาไม่ได้เวลาไม่สบายเนี่ยมีแต่ น, นอนโอดล้องควงบบนคางหรือเวลาแก่ก็ทําอะไรไม่ได้มากทาก็ได้น้อยจึงทำให้พระพุทธเจ้าเกิดเกิดเกิดโจทย์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นคนช่างคิดเมื่อมีปัญหาก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาจะแก้ปัญหา ได้อย่างไรทำไมจะได้ไม่ต้องมาทุกตอนที่แก่ตอนที่เจ็บตอนที่ตายาก็เลยได้ไปเห็นนักบวช่าเป็นผู้กำลังค้นคว้าหาวิธีอยู่แบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมีความสุขได้ก็เลยสัตัดสินใจออกบวช ว่าถ้าอยู่ต่อไปเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็จะทุกข์ทรมานใจว่าจะไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ <Yeah. S 1> ก็เลยไปบวชไปศึกษากับพวกที่ไปหาวิธีหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกาย <Yeah. S 1> ก็ได้พบวิธีชั่วคราว คกอการฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจนั่งสงบนั่งสมาธิใจสงบก็เกิดความสุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนิ้นกายเหมือนเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนอยากจะมีความสุขก็ต้องเกณฑ์ต้องเดิมต้องมีอะไรให้ดูให้ฟังแต่พอมาฝึกสมาธิก็ได้พบกับความสุข แบบที่ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกร่้นกายเพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเหมือนกับความสุขอย่างอื่นคือพอออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากสมาธิก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ดิจะทำยังไงที่จะทำให้ให้มันสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้หรือเข้าก็ได้ เวลาออกจากสมาธิทำไมมันไม่สุขเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิก็คนพบว่าที่ไม่สุขก็เพราะเกิดความอยากเวลาออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรดความอยากอะไรของเก่ายังมีอยู่มันไม่ได้ตายไปกว่าการเข้าสมาธิเวลาเข้าสมาธิมันเพียงแต่กดเอาไว้เหมือนห็นทับยาเนี่ยความอยากเป็นเหมือนหญ้า เวลาเราหินไปทับหญ้าไว้หญ้ามันก็งอกขึ้นมาไม่ได้เหมือนมันจะตายไปพอเราเอาหินออกเดี๋ยวมันได้น้ําได้อะไรมันก็งอกขึ้นมาขึ้นมาใหม่หญ้ามันก็งอกขึ้นมาใหม่พระพุทธเจ้าก็เลยไม่รู้ว่าจะทํายังไงอาพอออกมาจากสมาธิก็เหมือนกับตอนที่อยู่ในวังพอเกิดความอยากขึ้นมาก็ไม่สบายใจน พอเห็นว่าต่อไปเวลาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะจะไม่สามารถทำอะไรได้ก็ยังทุกข์อยู่ก็เลยค้นหาวิธีต่างๆลองผิดลองถูกว่าอะไรทำให้พระองค์ไม่สบายใจทำไมไม่ทำให้พระองค์ไม่มีความสุขเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิก็สองค้นพบว่าก็คือตัวความอยากนี่ เวลาอยู่ในสมาธิความอยากไม่มีพอออกจากสมาธิมาความอยากโผล่ขึ้นมาแล้วจะทำไงกับความอยากที่จะทำให้มันไม่อยากก็ต้องมองสิ่งที่เราอยากว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันทำให้เราสุขหรือให้เราทุกข์กันเนี่ยพอมองเข้าไปจริงๆของที่เราอยากได้นี้มันทำให้เราทุกข์มากกว่าทำให้เราสุขกัน พอของที่เราได้มาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเหมืนอนยาเสพติดพอเสพแล้วมันก็หมดความสุขที่ได้จากการเสพยาเสพติดก็หมดถ้าอยากจะได้ ก, ก็ต้องเสพอีก <Yeah. S 1> ถ้าเราเลิกเสพได้เราก็จะไม่มีความอยากกับมัน <Yeah. S 1> งั้นเวลาที่เราอยากอะไรก็ให้เรามองให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี้มันไม่เที่ยง ทำไม่เที่ยงมันทำให้เราทุกข์เพราะเวลามันหมดมันก็จะทำให้เราทุกข์เวลามีมันก็ไม่ทุกข์แต่พอเวลามันหมดมันทุกข์ถ้าเราไม่ไปอยากได้ถ้าเราไม่ไปหามันต่อไปความอยากมันก็จะหายไปเหมือนคนที่จะเลิกสุราเลิกบุหรี่เลิอกอะไรนี่เขาเลิอกอยังไง เวลาอยากสูบเขาก็ไม่สูบเวลาอยากดื่มก็ไม่ดื่มทุกครั้งที่อยากจะสูบทุกครั้งที่อยากจะดื่มก็ไม่ดื่มไม่สูบเดี๋ยวความอยากดื่มอยากสูบมันก็หายไปนะี่พนะระอง ia, ค์ก็เลยทรงคนพบว่าวิธีที่จะทำให้ใจมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็คือต้องกำจัดความอยาก วิธีเจะกําจัดความอยากก็คือต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ได้มาเราจะต้องเสียใจไม่ช้าก็เร็วเขาเขาจะต้องจากเราไปหรือเขาจะต้องเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปแล้วก็เราก็ทุกข์เราก็จะไม่อยากอยู่กับสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ใช่ไหมเช่นแต่งงานกันใหม่ๆก็รักกันดี พออยู่กันไม่สักพักทะเลาะกันมีเรื่องมีราวกันนี่เห็นแล้วมันทุกข์ก็อย่ากันดีกว่านี่ถ้ารู้ก่อนล่วงหน้าก็จะได้ไม่ต้องไปแต่งให้เสียเงินเสียทองนี่ยพอรู้ว่าต้องต้องอย่ากันแต่งแล้วต้องอย่ากันไปแต่งมันให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองทําไมเสียความรู้สึกทําไมแล้วต้องมาเกลียดกันทีหลังอีกใช่ไหมก็อย่าไปแต่งกันดีกว่ายังยังน้อยยังคบกันได้เป็นเพื่อนกันได้อยู่ เราไม่ได้แต่งงานกันก็เป็นเพื่อนกันได้พอแต่งงานกันแล้วกลายเป็นศัตรูกันไปพราเวลาอยู่ด้วยกันแล้วคนเราก็เปลี่ยนเวลาเจอกันใหม่ๆก็เอาอกเอาใจกันพอแต่งแล้วก็ที่เอาอกเ้าใจของของตัวเองไม่เอาอกเอาใจกันพอต่างคนต่างเอาใจตัวเองมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้คนหนึ่งจะ ไปเที่ยวคนหนึ่งอยากจะอยู่บ้านนี้มันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะอันนี้เกิดต้องทุกครั้งที่เกิดความอยากให้เห็นว่าอย่าต้องเจอความทุกข์ไม่ใช่เจอความสุขมันเป็นแบบสุขต้นไม่ใช่แล้วก็จะมาทุกตอนปลายเหมือนกับยาขมเกลือบน้าตาลเนี่ยเวลาอมก็ไปใหม่ๆก็หวานพ อ, อน้าตาลละลายนี่ก็อยากจะบ้วนทิ้ง ให้บอกอย่างนี้ว่าทุกอย่างในโลกที่เราอยากได้เนี่ยไม่ว่าลาบยศรละเสริญไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเ น, น, นี่ยมันเป็นสุขต้นแล้วจะมาทุกตอนปลายสุข ก, ก่อนแล้วก็จะมาสุขมาทุกทุกก็ะไล่ทุกไล่หลายรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงจากดีเป็นไม่ดีก็ทุกซื้อของมาใหม่ๆเนี่ยดีไปหมด พอใช้ไปสักวันสองวันก็เสียขึ้นมาเนี่ยก็ทุกข์แล้วใช้ไม่ได้ต้องไปที่ร้านไปส่งไปคืนไปเคลมไปอะไรเคลมกว่าจะได้กลับมาก็ไม่รู้กี่กี่วันช่วงนั้นก็ไม่มีอะไรใช้หงวดหงยดน้ำคานใจให้คิดอย่างนี้ถึงแม้จะซ่อมเสร็จเอากลับมาเดี๋ยวใช้ไม่ไม่นานก็เสียอีกหรือไม่เช่นนั้นก็หายไปก็ได้ เผลอวางไว้ที่ไหนคนอื่นหยิบไปของทุกอย่างที่มันมาอยู่กับเรามันเป็นเหมือนปลาไหลมันลื่นนะลองไปจับมันดูจับด้วยมือเดียวเดี๋ยวมันก็ลื่นหลุดออกไปจากมือ ไ, ไม่มีอะไรที่เราจะสามารถควบคุมบังคับให้มันดีให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเรียกว่าอนัตตาไม่อยู่ในความ ความสามารถของเราที่จ ะ, ะควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลาเะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าเราจะไปเอาความทุกข์เราจะไปเอามันทำไมถ้าไม่ถ้ายังไม่มีก็ไม่เอาดีกว่าถ้ามีก็เลิกดีกว่า อ, อยู่คนเดียวดีกว่ามีเงินก็สละเงินไปดีกว่าพวกนักบวชนี่เขาเห็นราบยศสรรเสริญเป็นทุกข์ ทำไม่ใจเขาวุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิ้นต้องวุ่นวายอยู่กับการหาเงินหาทองหาหาความสุขทางตาหูจมูกเนื้งกายหาเท่าไหร่มันก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยู่กับเราสักทีอยู่กับเราเดียวเดีย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวก็หลุดมือไปละต้องไปหามาใหม่แล้วไม่เอาดีกว่าพอได้อ่านหนังสือได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบอกว่ามานั่งสมาธิมาหยุดความอยากกันดีกว่า ก็เลยออกบวชดีกว่าพอบวชแล้วก็ไม่ต้องหาเงินหาทองเป็นพระนี่สบายไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมีคน อ, าาอื่นมาบริการให้หาของจำเป็นให้หาที่อยู่อาศัยให้หายาให้หาเครื่องนุ่งห่มให้หาอะไรให้ทุกอย่างเลยดีตายเลย ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่เขาทำกันมีประเทศไทยนั่นที่บริการปัจใจสี่ถ้าใครอยากจะบวชเนี่ยแม้แต่ฝรั่งยังต้องมาบวชที่เมืองไทยนะบ้านเมืองเขาเขาไม่มีการให้แบบนี้เขามีให้เหมือนกันแต่เขาให้แบบมีมีขอบเขต เป็นตกงานเ้าก็ให้หกเดือนอ ะ, ะการสังคมแล้วก็ต้องบังคับให้ไปหางานให้ไปทําอันนี้ไม่บังคับเลยให้ตลอดชีวิตเลยใครอยากจะบวชตลอดชีวิตไม่มีบังคับให้ไปหางานแต่บังคับให้อยู่เฉยๆในชะ่ไหมอย่าไปทําอะไรแบบญาติโยงขนเลยถ้อยู่เฉยๆได้เขาก็ยินดีที่จะสนับสนุน พอไปทำอะไรแบบญาติโยมเดี๋ยวเขาก็จับสึก น, นี่แหละคนที่พอได้ยินได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าแล้วก็จะเห็นว่าวิธีของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิธีที่ถูกต้องเป็นวิธีที่นำความสุขที่แท้จริงมาให้วิธีของพวกเรานี่มีแต่นำแต่ความวุ่นวายใจความทุกข์ยากเดือดร้อนมาให้ เวลาที่ไม่สามารถหาสิ่งที่เราอยากได้หรือเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราอยากได้ไปคนที่มีกำลังใจก็ตัดสินใจตัดมันให้หมดตัดความอยากเคยอยากลูกเสียงกินเล่นก็ตัดมันการที่จะตัดมันได้อย่างแท้จริงนี่ก็ต้องมีพลังต้องมาหยุดความอยากให้ได้หยุดความคิดให้ได้ความคิดทำให้เกิด ความคิดนี้เป็นเครื่องมือของความอยากพอไม่คิดความอยากมันก็ทํางานไม่ได้งนั้นก็เลยต้องมาทาตามที่พระเจ้าสอนมาสร้างเครื่องมือสู้กับความอยากเครื่องมือที่จะสู้กับความอยากก็คือเนี่ยสติแล้วก็อาศัยศีลเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยคอยปิดกั้นไม่ให้ความอยากมันมันออกมา เราถ้ามีศีลเราก็จะห้ามเราว่าเราจะไม่ไปทําตามความอยากมีเหมือนกับมีรั้วกั้นไว้กั้นความอยากไว้แต่ความอยากมันก็ยังไหลออกมาอยู่เพียงแต่ว่ามันไปหยุดที่ตรงรัว้วใช่ไหมถ้ามีศีลแปดนี้เห็นไหมสามีภรรยาก็ต้องอยู่คนละทีไ่ไม่ได้นอนด้วยกันใช่ไหมเนี่ยมาถือศีลแปดเนี่ยแต่พอกลับบ้านก็เลือกถือศีลแปด ก็นอนด้วยกันได้ฉะนั <Yeah. S 1> ้นคนที่จะหยุดความอยากทางกามทางตาหูจมูกเล่นกายก็ต้องถือศีลแปดก่อนพอถือศีลแปดแล้วจะได้รู้ว่าอ่ะต่อไปนี้ห้ามทาแล้วนะกิจกรรมเหล่านี้ทำไม่ได้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> แต่ความอยากก็ยังมี <Yeah. S 2> ถึงแม้ว่าจะไม่ได้นอนร่วมกันบางทีเวลานอนก็ยังคิดถึงกันอยู่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เพราะถ้าเราไม่ปล่อยใจไม่ควบคุมใจมันก็จะคิด คิดแล้วมันก็อยากถ้าคิดบ่อยๆเดี๋ยวมันก็สึกใช่ไหมปวดได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็กลับบ้านกลับไปอยู่ร่วมกันใหม่แต่ถ้าหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ก็ไม่สึกอะสึกไปทําไมอยู่แบบนี้สบายกว่าอยู่คนเดียวอยู่กับความสงบมีความสุขมากกว่าไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วไม่ต้องไปห่วงไปกังวลกับเขาไม่ต้องไปห่วงขเขา เขาจะไปเที่ยวกับใครเขาจะไปคุยกับใครเขาจะไปทาอะไรกับใครนี่เรานอนสบายเราหลับสบายแต่ถ้ายังไปต้องต้องอาศัยเขาอยู่นี่ก็หวงต้องเป็นของเราคนเดียวเป็นของคนอื่นไม่ได้แทนที่จะมีความสุขกับเขาก็เลยต้องมาทุกข์กับเขาเอกีกถ้าใครสามารถควบคุมความคิดควบคุมความอยาก หยุดคิดหยุดอยากได้แม้ว่าจะเป็นของชั่วคราวมันก็จะทําให้เราเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจแล้วถ้าอยากจะให้มันหยุดอยากอย่างถาวรก็ทุกครั้งที่อยากก็ให้ใช้ปัญญามองให้เห็นว่าการอยากนี่มันเป็นการไปหาความทุกข์อยากมีแฟนก็เดี๋ยวก็ต้องไปทุกข์กับแฟนอยากมีอะไรก็ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่เรามี พอเราเห็นว่าทุกข์ไม่เอาดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับการนั่งสมาธิดีกว่าเวลาไหนอยากก็เข้าไปนั่งสมาธิแทนเดี๋ยวต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปจากใจเรือเวลาอยากก็ต้องมองให้เห็นว่ามันทุกข์สิ่งที่เราอยากได้มันทำให้เราทุกข์อยากไปมีอะไรดีกว่าอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีดีกว่า พอเรารู <Menschen>, ้ <c oughs> อย่างนี้แล้วต่อไ ป, ไปทุกครั้งที่อยากเราก็ฝืนมันอยากจะไปมีแฟนก็ฝืนมันอยากจะไปมีเงินมีทองก็ฝืนมันอยากจะไปเที่ยวก็ฝืนมันฝืนด้วยการไปนั่งสมาธิ น, นั่งสมาธิแล้วมันจะไม่ทรมานก่อนที่นั่งสมาธิไม่ได้ฝืนไม่ไหวทนไม่ไหวฝืนกั้นเดี๋ยวเดียวเหมือนคนกั้นลมหายใจกั้นเดี๋ยวในที่สุดมันก็กั้นไม่ไหวแต่ถ้ามีสมาธิเหมือนกับคนมีเครื่องปดานา้ํา นำน้ำได้อยู่ในน้ำได้นานเพราะมีเครื่องหายใจสมาธินี้เป็นเหมือนเครื่องหายใจเวลาที่เราจะต้องฝืนความอยากเนถ้าเรามีสมาธิแล้วมันจะไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกทรมานใจใจจะสงบและเย็นสบายเพราะตอนนั้นมันคุมความอยากได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิมันจะอยากอยู่เรื่อยๆมันจะดิ้นอยู่เรื่อยๆมันก็จะทําให้เรารู้สึกทรมานใจ พระธธพุทธเจ้าจึงสอนว่าเราต้องมาสร้างสมาธิก่อนถ้าเราไม่มีสมาธิเราสู้ความอยากไม่ได้นะแม้จะรู้ว่าสิ่งที่เราอยากนี่เป็นทุกข์เหมือนก็ทุกข์ก็ช่างมันแต่ตอนนี้ตอนที่มันได้มันสุขอะตอนที่อยากจะดื่มสุรานี่ขอให้ได้ดื่มก่อนนะส่วนมันต่อไปจะไม่มีดื่มก็ช่างมันแต่ตอนนี้มีดื่มขอให้ได้ดื่มก่อนนะมันก็จะหยุดความอยากไม่ได้ พอมันอยากมากๆเราก็ต้องไปนั่งสมาธิหยุดความอยากหยุดความคิดพอหยุดความคิดหยุดความอยากวาความทรมานใจที่เกิดจากความอยากมันก็จะหายไปเราครั้งต่อไปความอยากมันก็จะกำลังก็เบาลงเบาลงเดี๋ยวในที่สุดก็หายไปไม่เคยรู้สึกอยากอะไรเลยต่อไปคนที่เลิกบุหรี่ได้ต่อไปเห็นบุหรี่ก็ไม่เดือดร้อนถ้าเลิกด้วยปัญญานะ แต่ถ้าเลือกด้วยออย่างอื่นไม่แน่นะเช่นเลือกเพราะว่าไปอยู่ที่ไม่มีบุรีสูเนีุพอกลับมาอยู่ที่มีบุรีสูุเมื่อไหร่ก็เห็นปั๊บก็อยากขึ้นมาทันทีอย่างนี้ไม่มีปัญญามีเตียงแต่ว่าหยุดไปเพราะถูกบังคับให้หยุดโดยปริยายเพราะไม่มีอะไรให้ให้สุนะหยุดหยุดแบบนี้ไม่ได้หยุดแบบท้าวรพอออกมาจากที่ไม่มีบุหรี พอมาเจอมีบุหรี่ขายนี่ซื้อทันทีเลเดรสุราก็เหมือนกันบางคนมาอยู่วัดมาบวชเนี่ยบวชสามเดือนเข้าพรรษาเนี่ยไม่ได้สูบไม่ได้ดื่มสุราเลยอยู่ได้ไม่เห็นเดือดนะออ ร, ร้อนนะพอเสกออกไปป้าเห็นสุราปร้าเพื่อนมาชวนไปดื่มไว้เลยออันนี้ไม่มีปัญญาถ้าท่านหยุดแบบนี้ใช่ไม่ได้ ต้องหยุดแบบมีปัญญาว่าดื่มแล้วมันจะเป็นธาตุของสุราดื่มแล้วจะต้องทุกเวลามันไม่มีดืม่มเวลาอยากดื่มแล้วไม่ได้ดืม่มมันจะทุกเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้มันถึงจะมันถึงจะไม่กล้าดืม่มเพราะมันรู้ว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์พเพราะดื่มแล้วมันจะติดติดแล้วจะต้องดื่มเรื่อยๆแลวเวลาที่ไม่ได้ดื่มมันจะทุก แล้วมันก็เป็นเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโซลาราเป็นบูลีเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าเป็นเสื้อผ้าเป็นเพชรนิมจินดาเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นอะไรเหมือนกันทั้งนั้นพอซื้อแล้วมันติดนะพออยากได้แล้วมันก็อยากจะได้อยู่เรื่อยๆพอมีเงินซื้อมันก็อยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ซื้อก็หงุดหงิดนะทั้งๆที่สร้อยก็ซื้อมาต้องหลายเส้นแหวนเพชรก็มีั้งหลาย ได้วงอยู่แล้วแต่ก็พอเห็นวงใหม่อยู่ในร้านก็อยากจะได้ลเลยของทุกอย่างมันเป็นเหมือนยาเสพติดทันนะ้งนั้นเพราะเสพแล้ว ม, มันจะติดมันจะอยากจะได้ใหม่อยู่เรื่อยพอไม่ได้ก็หงุดหงิดําคาญใจขึ้นมาไม่ว่าข้าวขอ ง, ของเงินทองคนก็เหมือ น, อ น, นกันแฟนยังเปลี่ยนอยู่เรื่อยเห็นไหมได้คนนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้อีกคนนะนี่แหละคือ ถ้าเราอยากจะเลิกเราต้องรู้จักวิธีหยุดความคิดหยุดความอยากรู้จักวิธีนั่งสมาธิแล้วเรายังต้องมีรู้รู้ปัญญาว่าการทำตามความอยากนี้มันจะไม่มีวันสิ้นสุดความอยากจะไม่มีวันหมดมันจะอยากใหม่เรื่อยๆได้อย่างนี้แล้วก็อยากจะได้อย่างนั้นต่อยากอยากอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะทำให้มันไม่อยากก็คืออยากไปอยากมันมันอยากก็อยากไปทาตามมัน ถึงแม้จะมีถึงแม้จะสามารถเอาได้ก็ไม่เอาเหมันยันมีบุหรี่ให้สูบก็ไม่สูบมีสุราให้ดื่มก็ไม่ดื่มเพราะเห็นว่ามันเป็นมันเป็นทุกข์มันมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเราไปสั่งให้มันตอนนี้มันอยู่กับเราแต่เวลามันจะไม่มีมันหมดเราก็สั่งมันไม่ได้ห้ามันไม่ได้ห้ามันไม่ให้หมดไม่ได้ก็เมื่อเราดื่มอยู่เรื่อยมันก็ต้องหมดเลยใช่ไหม ถ้าเราไม่ดือมมันก็ไม่หมดนะเราต้องเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงอนิจจังเป็นอนัตตาเพราะเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเราก็จะเลิกความอยากได้อย่างถาวรเพราะเราจะเห็นว่าทุก ส, สิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าดีคิดว่าเป็นสุขนี่มันเป็นทุกข์เพราะมันจะเปลี่ยนไปมันจะมีการจากกันไป ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากมีก็มีก็ไม่อยากได้เห็นอะไรก็ไม่อยากได้เพรเข็ดแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวติดอีกเดี๋ยวติดก็เป็นทุกข์อีกนี่ก็คือวิธีหาความสุขถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะสุขไปตลอดแล้วก็มันจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป เพราะไม่มีความอยากที่จะมาหาความสุขทางร่างกายอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากทางร่างกายก็ไม่ต้องมีร่างกายเวลาร่างกายแก่ก็ไม่ทุกเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกเวลาร่างกายตายก็ไม่ทุกเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะยังมีความสุขได้เหมือนเดิมเหมือนความมีตอนที่ไม่มีร่างกายแล้วมีร่างกายความสุขก็เท่าเดิมความสุขใจมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางร่างกายเลย ร่างกายจะดีไม่ดีมันไม่มาทำให้ความสุขทางใจหายไปความสุขทางใจก็เหมือนเดิมเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังสุขเหมือนเดิมเวลาตายก็ยังสุขเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าพระ ห, หลานสาวบอกนี่ท่านตายอย่างสบายท่านไม่ทุกข์กับความตายเลยเพราะใจของท่านไม่มีความอยากให้ร่างกายอยู่ไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บแล้ว แต่ถ้ายังมีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะทุกข์มากเวลาตายต้องปล่อยให้มันตายอย่าไปอยากให้มันอยู่เวลามันอยู่ก็อย่าไปอยากให้มันตายอยากให้มันตายก็ทุกข์อีกคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าอยากให้ร่างกายมันตายพอมันไม่ตายก็เลยต้องฆ่ามันไปฆ่ามันทำไมความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเทนั้ะมันอยู่ที่ความอยาก พอไม่ได้อะไรดังใจอยากก็ทุกข์ใจทุกข์มากๆก็อยากจะฆ่าตัวตายท <Yeah. S 1> ่านั้นเองถ้าหยุดความอยากได้ก็จะไม่ทุกข์ก็จะอยู่ได้อย่างสบาย <Yeah. S 1> นี่คือความสุขที่แท้จริงที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะเป็นสิ่งที่สามารถสอนให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริง สอนให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เรากำลังมีกันอยู่ในตอนนี้ถ้าเราได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเชื่อคำสอนปฏิบัติตามคำสอนได้แล้วรับรองได้ภายในใจเรานี้จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปก็นี่คือวิธีหาความสุขที่แท้จริงต้องหาด้วยการทำใจให้สงบเจริญสติควบคุมใจด้วยพุโทโธพุโทโธอย่าให้มันคิดนั่งสมาธิมาก ให้มันนิ่งบ่อยๆจนสามารถนิ่งได้ตลอดเวลาที่เราต้องการพอเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอยากไปทํามันเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราควบคุมบังคับมันไม่ได้แล้วถ้ามันทรมานก็ไปนั่งสมาธิอย่าไปทําตามความอยากอยากดื่มกาแฟกับนั่งสมาธิให้เลือกเอาจเอาอย่างไรดีไปนั่งสมาธิดีกว่าถ้านั่งได้ต่อไปก็ไม่ต้องดื่มกาแฟ ถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็ต้องไปดื่มกาแฟอยู่เรื่อยๆหมดถ้วยนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องอยากถ้วยใหม่อันที่สุดก็ต้องมานั่งสมาธิถึงจะหยุดความอยากไปดื่มกาแฟได้นี่แหละคือวิธีหาความสุขที่แท้จริงขอให้ท่านจงนําเอาไปพิจิต พ, พิจารณาเอาไปปฏิบัติแล้วท่านจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปาริุเรนติสาคหลังเอวเมวอิโตตินางเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสวิจจตุสัพเพปุเรนตุสักปาจันโทปนะระโสยะถามานิโชติ ภราสยถาสัพพ so ิตโยวิวาจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภวะพิวาทนสีฤทธะนิจจังวุตฒาปจายโนยัตารุธรรมวทานติอายุวันโนสุขัง วันนี้ทาง Facebook กับ YouTube เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา404คนครับทางย t u b บ138คนครับวันนี้เข้ามาเยอะนะ404 138ก็538นะ ม, มีใครอยากจะถามอะไรไหมมีครับเชิญถามได้เลย ผมมีคำถามสังข้อนะอารข้อแรกนะครับนิพพานนั้นจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในจิตใจของท่าริยาบุคคลใช่ไหมครับอันนี้เราก็คือมันมันคำว่า น, นิพพานแลาว่าเบื่อหนใช่ไหมมันก็มีเบื่อแบบเบื่อแบบชั่วคราวเบื่อแบบถาวร ถ้าหมายถึงเบื่ออยากถาวรก็ต้องเป็นพระระยะบุคคลตรงผมขออนุญาตถามข้อสองนะครับมีอยู่ปลายวิธีใดที่จะบ่มเพาะนิพพานให้เกิดขึ้นในใจของผู้ดิชนธรรมดาอย่างถาวรเพราะผู้ดชนทั่วไปมีอาการเบื่ออยากยากก็แต่ประดักในการปฏิบัติเพื่อมาผลุพันก็นั่นแหละก็ต้องหมั่นเจริญใจรักอยู่เรื่อยๆพิจารณาใจรักอยู่เรื่อยๆพระเจ้าสอนให้เราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตาย ความพัดพากจากกันอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เกิดมาแล้วต้องตายต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บความตายไปไม่ได้ต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ถ้ามันเห็นความจริงแล้วมันก็ความอยากมันก็จะน้อยลงไปพอความอยากน้อยไปมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ เพราะจะเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวมันจะต้องมีวันจากกันไป้องพยายามมัดเจริญอนิจจังอยู่เรื่อยๆพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เราไปยึดไปติดไปรักไปชอบว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวแลาวมันก็ทำให้เราเบื่อมันเพราะว่าเราพึ่งมันไม่ได้ไงหรือว่าพึ่งมันได้ชั่วคราวเดี๋ยวเกิดมันดีขึนดีมันก็หายไปอย่างนี้ งานทำไปวันดีคืนดีเขาให้เราออกเป็นไงมีใครมารับประกรันว่าเขาจะให้เราทำงานไปตลอดวันดีวันคืนดีบริษัทเจ๊งขึ้นมาบริษัทต้องปลดคนงานขึ้นมาเขาก็ปลดให้คิดอย่างนี้คิดถึงความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เราไปอาศัยเป็นเป็นที่พึ่งของเราว่ามันวันดีคืนดีอาจจะพึ่งมันไม่ได้แม้แต่ร่างกายเราเนี่นเราก็พึ่งมันไม่ได้ มันดีขึ้นดีมันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยให้คิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เราใช้เป็นสาระเป็นที่พึ่งตอนเนี้ตอนนี้เราใช้อะไรเป็นที่พึ่งก็ใช้ร่างกายนี้ใช้ราบยศสรรเสริญใช้รูปเสียงกลิ่นรสเป็นที่พึ่งแต่ของพวกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีโอกาสที่จ ะ, ะเปลี่ยนไปหมดไปได้ทุกเวลานาที ให้คิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันก็จะไม่เอาดีกว่าไม่เอาลาบยศสารเสริญไม่เอาร่างกายไปหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมดีกว่าอันนี้เป็นของถาวรถ้าเราปฏิบัติธรรมได้เราจเจริญสมาธิได้จเจริญสติได้จเจริญปัญญาได้เราจะทำให้ใจเราสุขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญสุขเป็นเครื่องมือ พอเข้าใจนะน ะ, ะมีอีกไหมหมดแล้วเหระครับมีแค่สองข้ อ, อโอเคหมดแล้วง่ายแล้วปาดทำอะไรไหมพย <c oughs> ายามหมั่นคิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโดยเฉพาะร่างกายเราหรือสิ่งที่เราไปพึ่งไปอาศัยให้ความสุขกับเราเช่นร่างกายของแฟนเราเองเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พอมันแก่เจ็บตายแล้วมันก็พึ่งมันไม่ได้แล้ว mm hmm. คนแก่คนเจ็บคนตายยังไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่เลยแต่ความทุกข์ mm hmm. แต่คนที่มีสมาธินี้ไม่ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ก็สุขได้สุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้สติหมั่นเจริญสติควบคุมความคิดควบคุมความอยาก mm hmm. หยุดความอยากด้วยปัญญาได้ต่อไปใจจะมีความสุขตลอดเวลา อาจารย์ผ่านกี่ปีครับถึงจาเข้าถึงในพิธานอี่ารย์อย่ใช้เวลาไปพูดเลยเดี๋ยวมันจะเราพระเจ้าตของนานนะครับกว่าจะเรือน่าจริงๆเลยหลังจากบวดแล้วครับอ๋อมันบื่มันบว่บวบวตั้งแต่ก่อนบวชเนี่ยมันเบื่อตั้งแต่ก่อนบวชออกจากงานเราจากงานแ ล, แล้วก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านอยู่ปีหนึ่งแล้วถึงไปบวชแต่มันยังไม่เบื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นเบื่อแบบยังไม่ขาดบางช่วงก็ยังอยากอยู่ แต่ช่วงที่บัญอยากก็ต้องพยายามใช้การปฏิบัติช่วยเน่เป็นเลยครับเวลาอยากนะอาจารย์เวลามันอยากต้องพยายามปฏิบัติใช้สมาธิใช้สติเวลามันไม่อยากก็ไม่เป็นไรพอเวลามันอยากนี่ต้องก็ต้องพยายามใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจอยู่มันก็ล้มลุกคุกคานี่เหมือนกับต่อยกันบนเบทีเนี่ยบางทีเราอ่อนกําลังเราอ่อนมันก็ต่อยเราล้มฟุบลงไปเหมือนกั บางทีน้ําตาแทบจะกระเด็นความอยากมันทรมานมากแต่ก็ไม่ยอมแพ้มันไม่ยอมไม่ยอมไปทําตามความอยากก็พยายามพุทพุทโธพุทโธพุทโธไว้นั่งสมาธิไปพิจารณาว่าเป็นทุกข์นยไปทําตามความอยากแล้วมันทุกข์ไปเที่ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาก็เหมือนเดิมก็เลยฝืนได้บังคับได้ไม่อยากจะออกไปเที่ยวก็ไม่ไปจนในที่สุดก็พอรู้ว่ามี มีกําลังที่จะไปบวชได้ก็เลยไปบวชพอตอนต้นไม่กล้ากลัวบวชแล้วเสร็จก็ไม่บวชแล้วเสร็จก็ไม่รู้ไปบวชทําไมก็เลยฝึกฝึกอยู่ที่บ้านก่อนฝึกจนรู้สึกว่ามีกําลังว่าสู้กับพอสู้กันได้แล้วก็เข้าไปบวชต่อความรู้สึกที่พ่อพอสู้กันได้นี่มันคืออะไรก็คุมมันอยู่ไงเวลามันอยากมันก็สามารถคุมมันได้แต่มันยังไม่ตายเพราะมันมีความอยากหลายระดับด้วยกัน แต่ความอยากระดับต่ำระดับของคารวานี่มันคุมได้แต่ละความอยากในระดับของพระอริยะนี่ยังคุมไม่ได้ยังความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่มันยังคุมไม่ได้แ<ต>่ารูเกนเสียพอคุมได้พอคุมได้พอเลิกเที่ยวได้พออยู่คนเดียวได้อะไรอเหมือนต้องซัง ความอยากระดับภระอรยนมันต้องมีพลังมากขึ้นสติต้องมากขึ้นปัญญาต้องต้องมากขึ้นมันถึงจะสามารถคุมมันได้ mm hmm. ก็พยายามปฏิบัติไปแล้วมันจะพัฒนาไปเองอ่ะ mm hmm. มันก็ไต่เต้าขึ้นไปเองเหมือนเรียนหนังสือ mm hmm. เรียนไปได้เลื่อยมันก็ขึ้นจากปหนึ่งปอสองมันก็อยากขึ้นไปตามตามตามกำลังของมันเป็นขั้นเป็นขั้นไป mm hmm. ตอนต้นก็อย่าไปคิดถึงขั้นระดับปัญญาคิดแค่ขั้นปัจจุบันเนี่ยจะทําไงให้เอาชนะกับไอความอยากที่เรากําลังอ ย, อยากอยู่ในขณะนี้ให้ได้ก่อนนะ mm hmm. ก็ต้องมา่นพยายามฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้มากๆอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยสามตัวนี้จะช่วยเรา mm hmm. สติสมาธิปัญญาแล้วถ้าถ้ามีกําลังก็รักษาศินไปได้ด้วยก็ยิ่งดีศ mm hmm. ินแปดอะไรเงี้ย mm hmm. มีคำถามทางบ้านไหมมีครับมีต่างชาติไหมไม่มีครับไม่มีอะไรเล ค, <laughs> คำถามจากคุณโทมิกราบพระอาจารย์สุชาติค่ะสอนลูกชายอายุสิบเอ็ดขวบให้รักษาศีลห้าสวดมนต์สอนเพื่อปล่อยวางแม่เองไปด้วยค่ะเพราะยึดหวงอุปทานนี้ค่ะได้สอนนด้ก็ดีแต่วิธีสอนที่ถูกต้องแม่ต้องเป็นตัวอย่างไม่ใช่เป็นแบบแม่ปูสอนลูกปูวู แม่บอกให้อยากกินเหล้าแล้วแม่ก็ไปนั่งกินเหล้ากันแม่บอกอยากโกหกแล้วก็โกหกโกหกกับลูกนี่แหละไม่ได้เราพูดอะไรเราเราทำอะไรเราต้องสอนเขาอย่างไรแล้วก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนพระพุทธเจ้านี่เขาโอ้องทรงตัดว่าสิ่งใดที่เราสอนสิ่งนั้นเราทำมาแล้วทั้งนั้นมันทำให้มันคนฟังแล้วมันมีความเชื่อมั่นใจไม่ใช่สอน สอลูกลูกอยากโกหกนะ แ, แม่ก็โกหกต่อหน้าลูกเนี่ยหลอกลูกอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไปสอนให้ลูกรักษาศีนหน้าลูกมันก็มันก็ฟังเอารักษาไปแล้วมันก็ทําเหมือนแม่นะแม่โกหกมันก็โกหกคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับได้ย้ายเข้าไปอยู่ในห้องทํางานใหม่แทนคนเก่าเนื่องจากคนเก่าออกไปแล้ว คนที่ทำงานที่รู้จักกับคนเก่ามานานบอกว่าคนเก่านี้เขามีของทำนองว่าเลี้ยงวิญญาณไว้หรือมีวิญญาณคุ้มครองและเมื่อย้ายออกไปแล้วก็ไม่รู้ว่านำสิ่งของนั้นออกไปด้วยหรือเปล่าหรือทิ้งไว้คำถามคือเรื่องแบบนี้มีจริงและควรเชื่อหรือไม่แม้แต่เก้าอี้ก็ให้เปลี่ยนตัวใหม่มานั่งแทนเหมือนกับเก้าอี้ก็มีสิ่งไม่ดีครับไม่มีหรอกเป็นความเชื่องมงายไม่มีเหตุไม่มีผล 9ก้าอีมันก็เป็นเก้าอี้มันไม่มีอะไรของอะไรหรอกไม่มีเป็นความเชื่อท่านเองคำถามจากคุณโอเคหลวงพ่อครับกว่าจะเป็นพระอรหรันต้องนั่งสมาธินานไหมครับอ๋อมันก็แล้วแต่แต่ละคนสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ต้องมีปัญญาด้วยจะมีสมาธิอย่างเดียวก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เคยนั่งสมาธิเข้าฌานเป็นวันวัน ก็ยังเป็นพาาาระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ต้องมีสมาธิสนับสนุนการใช้ปัญญาการต้องมีปัญญาต้องเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์เราจะได้เลิกความอยากได้จะเลิกได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นเลยนะสนใจเรื่องของเราดีกว่า คนหนึงก็จะนั่งสมาธินานไม่นานเป็นจะเป็นพ้าหลานได้มันก็ไม่เกี่ยวกับเราขอให้เรามาดูตัวเราดีกว่าว่าเราเป็นพ้าหลานได้ได้ได้หรือไม่อันดีกว่าคำถามจากคุณบอยกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับในเวลาเดียวกันสามารถมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกันได้ไหมครับในอีกจักรวาลหนึ่งได้เมื่อถ้าอยู่คนละที่กันเนี่ย อาจจะมีคนละโลกอยู่กันไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้อะไรกันอีกโลกหนึ่งตอนนี้อาจจะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาก็ได้แต่คําว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านบอกว่าเกิดได้ครัง้งละคนเพราะว่าพอมีองค์หนึ่งแล้วก็ไม่ต้องมีอีกองค์มาเพราะคนที่จะเรียนรู้ก็เรียนต่อจากพระพุทธเจ้าได้เลยสมมุติว่าถ้าเกิดมีพระพุทธเจ้า อ, องค์อยู่ในป่าถ้าไม่เคยเจอใครไม่เคยพบปะกับใคร ถ้างาจจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้การเป็นพระพุทธเจ้านี้หมายถึงว่าได้ได้ได้ได้พบกับอริยสัจสี่ด้วยตนเองโดยที่ไม่ได้ต้องอาศัยฟังจากผู้อื่นแต่ถ้าอย่างของเรานี่ในโลกนี้ตอนนี้คำสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วพอใครมาบอกว่าได้พบอริยสัจ ด, ด้วยตัวเองนี่ก็ไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะพบจากการได้ยินได้ฟัง แต่มันก็ไม่มันไม่ได้เป็นประเด็นสาคัญอะไรจะพบด้วยตัวเองแล้วพบจากพระพุทธเจ้ามันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเออได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกันคำถามจากคุณนกกลาปเรียนถามพระอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าคนที่พูดหรือรับปากผู้อื่นว่าจะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่เคยทำตามที่พูดหรือรับปากไว้จะถือว่าผิดศีลไหมคะผิดศีลก็โกหกไง่ไ็ไม่ไมีสัญจะม ไม่มีความสัตย์พูดแล้วก็แบบว่าไม่ได้ทําตามความพูดก็เหมือนเหมือนกับเด็กเลี้ยงแก่ต่อไปคําพูดของเขาก็จะไม่มีน้ําหนักพูดไปก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อเสียเครดิตไปยืมเงินเขาแล้วไม่คืนเงินเขานี้อย่างนี้เรียกวโกหกก็บ้าโกห ก, ก, หกแล้วช่อกโกงก็บ้าช่อโกงสองกระทงเลยถ้าบอกว่าจะให้แล้วไม่ให้นี่ยังไม่ถือว่าช่อโกงเป็นแต่หลอกลวง ยังไไไม่ได้ออาทพ์ขผ ป, ปคำถามจากคุณสุพรนณวงศ์อยากกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์อารมณ์นิพพิธาคือการเบื่อหน่ายใช่ไหมครับตอนนี้จิตกระทบอารมณ์ภายนอกแล้วเกิดความเบื่อหน่ายหมุนเข้ามาที่จิตรู้สึกว่าอยากไปทำไมอยากเร่งภาวนาเพราะตอนนี้เหมือนสภาวะย่ำอยู่กับที่คะ่ะจิตไม่ได้พัฒนาก้าวหน้าเหมือนตอนที่หลวงตามีชีวิตคะ่ะ ก็เพราะไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสมัยที่มีหลวงตาอยู่ก็ฟังเทศของท่านแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนมันก็จะ ก, ก้าวหน้าพอไม่ได้ปฏิบัติไม่มีคนสอนคนนำก็เลยหยุดมันก็เลยมันก็เหมือนกับรถที่เราไม่ได้เหยียบคันเร่งพอรถเราปล่อยคันเร่งมันก็ชะลอลงแล้วมันก็จอดคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ เนื่องจากว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนหุดหงิดง่ายต่อสิ่งร้าวภายนอกที่ทำให้เกิดอารมณ์ขุนมัวด้วยคำพูดหรือการกระทามีวิธีขจัดอารมณ์โกรธหุดหงิดนี้อย่างไรได้บ้างคะพยายามดึงสตินับเลขในใจก็แล้วบอกตัวเองให้อารมณ์ดีก็แล้วแต่ความโกรธความหมุดหงิดยังคงอยู่ค่ะมันก็มีทั้งต้องอาศัยทั้งสองอย่างต้องอาศัยสติมันฝึกสติเรื่อยๆ เรายามาใช้สติเฉพาะตอนที่เกิดอารมณ์ต้องฝึกสติตอนตั้งแต่ยังไม่เกิดอารมณ์มันจะได้มีกําลังเช่นตื่นขึ้นมาก็ฝึกสติไปเลยพุโทโธพุโทโธไปเลยแล้ววอรเวลาเราเจอเหตุการณ์มันจะทําให้เราพุโทโธได้ถ้าไม่ได้ก็สติยังน้อยไปแล้วเราก็อาจจะใช้ปัญญาช่วย อ, อีกแรงหนึ่งก็ได้ปัญญาก็คือให้เรารู้ว่าความผุดผิดของเราเนี้ยเกิดจากความอยากของเรา ถ้าเราอยากมากใจหงุดหิดมากอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้พอไม่ได้ดังใจมันก็หงวดหงิดขึ้นมาแล้เราต้องลดความอยากเราให้น้อยหลงหัดใช้ควาว่ามักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือเอาน้อยน้อยเราจะไม่ไม่งุดหงิดถ้าได้น้อยก็จะไม่หงวดหงิด ถ, ถ้ามากๆกแล้วได้น้อยก็จะหงวดหงิด ถ, ถ้าสันโดษได้ยิ่งดียินดีนดตามมีตามเกิด อะไรก็ได้ลมพัดก็ได้ลมไม่พัดก็ได้คนจะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ก็ได้ไม่พูดอย่างนั้นยพูดอย่างนี้ก็ได้หัดทําใจแบบอให้มันไม่ไปมีอะไรอยากในใจเรานะแล้วมันจะไม่หงุ ด, ดนงงที่มันงุนงดเพราะมันอยากแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากนะอันนี้ก็ต้องใช้ทั้งสองอย่างหัดฝึกสติไปเรื่อย ตั้งแต่ยังไม่มีอารมณ์อย่าไปใช้สติตอนที่มีอารมณ์เพราะมันไม่มีสติที่จะใช้น่ะสิเพราะมันไม่มีกำลังที่จะไปพุโทโธหรือพุโทโธไปมันก็ยังอดคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราหงุดหงยดไม่ได้ต้องพยายามฝึกพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วก็หัดสอนใจว่าต่อไปนี้เราต้องสันโดษนะต้องยินดีตามมีตามเกิดพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ยินดีกับสิ่งที่เราได้รับ ได้มากได้น้อยก็ดีสาธุไปแล้วใจก็จะไม่หงุดหงิดถ้าโลภมากอยากได้มากจูจีจ้จุกจิกเนี่ยก็จะไม่หงุดหยิดไปทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันสิ้นสุดคำถามจากคุณละดาวันนรัสการพระอาจารย์ค่ะการบอกด้วยวาจาเชิญเทวดาเจ้าที่มารับประทานของได้หรือเปล่าคะเป็นร้านค้าแผงลอยค่ะคือ พวกกายที่เขากินอาหารเราไม่ได้แล้วอาหารนี่เป็นสำหรับร่างกายพวกกายที่ถ้าอยากจะให้เขากินอาหารก็ต้องทำบุญแล้วก็อุทิศบุญให้กับเขาไปคำถามจากคุณเอเจกราบนมัสการพระอาจารย์ขอพระอาจารย์เมตตาสรุปหัวข้อทำเรื่องจิตเจตสิกให้หน่อยเจ้าค่ะคือจิตก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นบ้านอย่างนี้ เจตสิกก็เป็นของที่มีอยู่ในบ้านเจตสิก <Yeah. S 1> ก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดในจิตที่เรียกว่าสภาวะธรรมต่างๆ mm. ไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่ก็เป็นเจตสิกธรรมอารมณ์ต่างๆก็เป็นเจตสิกโลภโกรธหลง mm. อะไรนี่ก็ถือว่าเป็นเจตสิกหมดของที่อยู่ในจิตนี่เรียกว่าเจตสิกแค่นั้นเองด mm. ูไปก็เท่านั้นทูก ช่วยรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวปัญหาเราหยุดมันให้ได้ดีกว่าตัวปัญหาก็มีแค่ตัวเดียวก็คือตัวอยากนี่กำจัดความอยากได้แล้วปัญหาทั้งต่างก็หมดดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนอภิธรรมให้มันรู้ว่าจิตนี้กี่ดวงจิตขึ้นจิตลงยังไงขอให้รู้ตัวเดียวรู้ว่าความอยากนี่เป็นตัวปัญหาแล้วให้รู้วิธีกําจัดมันให้ได้เท่านั้นก็จบคําถามจากคุณทีซีกราบเรียนพระอาจารย์ สภาวะที่ทำสมาธิก่อนที่จะเข้าในฌานจําเป็นไหมว่าจะต้องเหมือนกันทุกครั้งที่ผมรู้ได้ก่อนนี้จะเหมือนจะขาดใจตายแบบบดลมหายใจช่วงหลังๆเป็นแบบตัวสันๆทั้งตัวเป็นแบบนี้อยู่สองสาครั้งแล้วครับและหลังจากนั้นจิตมันก็นิ่งๆว่างควรทําอย่างไรต่อครับ เ, เวลามันนิ่งมันว่างก็พยายามประครับประคองให้มันนิ่งให้มันว่างไปนานๆอย่าปล่อยให้มันออกมาคิดถ้ามันคิดก็พยายาม ใช้สติหยุดมันให้มันนิ่งไปานานๆเพราะมันเป็นความสุขแล้วมันจะทำให้เรามีกำลังที่จะไปต่อสู้กับความอยากต่อไปได้เพราะใจเราจะอิ่มเพราะอิ่มแล้วมันจะไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากกับอะไรเวลารวมจิตมันจะมีแตกๆไม่เหมือนกันบางครั้งก็เหมือนหายใจขาดหายใจไปบางครัง้งมันตกหลุมตกบ่อตกมาจากที่สูงวูบลงไปแล้วมันจะเป็นแบบไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ขอให้มีสติรู้ไปท่านั้นอย่าไปยุ่งกับมัน mm. อย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันคำถามจากคุณจำปากราบพระอาจารย์ค่ะดิฉันได้เป็นคนริเริ่มสร้างเจดีขึ้นต่อมาพระกับเจ้าอาวาสท่านมีปัญหากันยังไม่เสร็จอีกสิบเปอร์ซนตก็จะเสร็จแล้วอย่างนี้คนที่สร้างจะได้บุญเหมือนกับคนที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ไหมคะ ก็สร้างได้ 90% ก็ได้ 90% ้นได้บุญ9 0้ถ้าสร้างครบร้อยมันก็ได้ร้อยซมันก็ไม่เสียหายใชไห ม, มันก็ถือ ว, ว่าเราก็ได้ทําบุญไปอยู่แล้วเห็นแต่ว่าเราเราเหลืออีกสิเปอร์เราไปทําที่อื่นก็ได้มีเงินเหลือจากที่จะสร้างเจดีย์ก็เอาเงินที่จะสร้างเจดีย์นี้ไปทําอย่างอื่นไปพิมพ์หนังสือทำมาแจากก็ได้เป็นธรรมทานไปก็ได้เราก็จะได้บุญเต็มร้อยของเรา บุญไม่ได้อยู่ที่งานที่เราทำว่าจะต้องเสร็จครบเต็มร้อยบุญอยู่ที่ว่างเงินที่เราต้องการจะทำนี้หมดหรือไม่หมดถ้าหมดก็ได้เต็มร้อยถ้าทำหมดเต็มร้อยแล้วยังไปขอใจไปขอลดหย่อนภาษีก็ <c oughs> ก็กลับมาอีกแทนที่จะเต็มร้อยก็ข อ, ขอคืนอีกทาบุญแล้วก็ขอเงินคืนอีกอย่างนี้ก็ไม่ได้เต็มร้อยอเหมือนกันถ้าอยากจะได้บุญเต็มร้อยก็ไม่ต้องไปขอลดหย่อนภาษี ก็ให้ให้รัฐบาลไปไปเออนต้องไปเอามาเหมือนก็มันไปเอากลับมาก็ทาแสดงว่าไปให้รัฐบาลช่วยทำบุญเราก็เลยไม่ได้ทำเต็มน้อยทำแค่90้าสิรัฐบาลขอร่วมทำสิบอร์ซคำถามจากคุณบ b บีเหตุใดอรหันตมรักยังต้องวางสังโยชน์เบื้องบนซึ่งมีอวิชชารากเงาแห่งสังสารวัตด้วยครับ และทั้งอนัตตาโลกอนัตตาธรรมยึดติดเอาได้หรือเปล่าครับน้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ ก, ก็วิชาก็คือตัวที่ไม่รู้ว่าสังโยชน์มีอะไรบ้างเนี่ก็เลยต้องมาศึกษาแล้วก็ละไปทีละตัวสองตัวอก็พอได้พัะญาณอนาคามีก็รู้จักสังโยชน์ห้าตัวแรกก็ละมันได้แต่สังโยชน์เองครับอีกสี่ตัวหลังนี่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าตัวเองยังมีสังโยชน์ ก็ยังมีความยินดีในรูปฌปานมีความยินดีในอรูปฌปานยังมีมานะยังมีอุทธัจจะอยู่ในใจอันนี้ก็ต้องดูใจไปเฝ้าดูพิจารณาดูใจไปว่าทําไมใจเราไม่สงบมันก็จะพบว่าอ๋อเพราะเรายังมีสังโยชน์อยู่พอรู้ว่ามีสังโยชน์ก็ตัดมันได้เลยหรือว่าติดฌานก็เลิกติดมันติดตัวตนถือตัวถือตนก็เลิกถือตัวถือตนไปนะ พุ้งสร้างเพราะอยากจะหลุดพ้นจากนิพพานก็ไม่ได้อยากจะอยากจะบรรลุนิพพานก็ไม่ได้อยากแล้วไม่บรรลุก็ฟุ้งสร้างขึ้นมาเหมืนาอานพระอนนท์เนี่ยไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าเดี๋ยวสามเดือนหลังจากที่พระเจ้าตายไปแล้วอานนท์เธอจะบรรลุเป็นพระอรหรันต์พอถึงคืนสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่บรรลุสักทีใจก็เลยไม่ไม่สงบอยากจะบรรลุ แต่ก็สงสัยว่าพระพุทธเจ้านี่คราวนี้คงจะพลาดแน่คงจะวางทํานายผิดแน่ๆน่เพราะนี้มันใกล้จะสว่างแล้วยังไม่บรรลุใจอยากจะบรรลุแต่ใจไม่ภาวนาวมันมีแต่อยากใจไม่ปล่อยวางทุกอย่างความอยากจะบรรลุ ก, ก็ต้องปล่อยวางพอถึงเวลาใกล้สว่างก็เลยแบบกูไม่ได้บรรลุแน่ในวันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เลยขอนอนดีกว่า พอทำท่าจะนอนเนี่ยบรรลุเลยเพอตอนนั้นไม่ได้อยากบรรลุละไอตัวอยากบรรลุเนี่ยตัวเป็นตัวทำไอฟุ้งซ่านตัวนี้ที่ทําให้ไม่ได้บรรลุไม่รู้ว่าเป็นสังโยชน์ตัวสุดท้ายคําถามจากคุณวรร น, นากราบพระอาจารย์อยากทราบว่าแต่ละคนจะมีฐานจิตเหมือนกันไหมคะเคยได้ยินว่าฐานจิตจะอยู่ที่หน้าอกจมูกหรือบนกระหมอ่อม ที่ใจจริงไหมคะอ๋อไม่หรอกฐานจิตที่แท้จริงคือความสงบสมาธิคือฐานจิตแต่ความรู้สึกของฐานที่เราจะตั้งจิตไว้นี่ตั้งได้หลายที่ตามร่างกายต่างๆเราจะตั้งจิตไว้ที่จมูกก็ได้ที่ลมหายใจเข้าออกที่จมูกก็ได้ที่กลางอกก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะตั้งไว้ตรงไหนอันนั้นเป็นที่ตั้งของกรรมฐานมากกว่าที่ตั้งของสติฐานของ์จิตจริงๆคือความสงบเพอจิตรวมแล้วมันก็จะสงบ มันก็จะเป็นเข้าไปถึงฐานของจิตกันคำถามจากคุณพนมพรกราบขอความเมตตาครับขอวิธีภาวนาที่ถูกต้องและวิธีภาวนาให้ได้ผลครับตอนนี้ต้องฝึกสตินะให้มีสติควบคุมความคิดให้ได้ถ้าอยากจะได้ผลดีก็ต้องไปอยู่คนเดียวไปปีกเว้ยเวอย่าไปอยู่ใกล้คนนั้นคนนี้อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับใครทั้งนั้นถ้าอยู่คนเดียวได้ปีกเว่เวได้ แล้วก็จะสามารถควบคุมความคิดได้ง่ายและเวลาไม่ต้องทำอะไรก็นั่งให้มากๆนั่งให้นิ่งๆเพราะใจจะนิ่งได้ร่างกายต้องนิ่งก่อนถ้ายัางเดินจมกลมอยู่นี้มันจะนิ่งได้แค่50เอร์เซนเพราะร่างกายยังทำงานอยู่ใจยังต้องคอยควบคุมคอยสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ถ้าอยากจะให้ใจนิ่งร่างกายต้องนิ่งก่อนกายวิเวกจิตถึงจะวิเวก คำถามจากคุณอนุสรนที่เขาว่าสวดบทอิติปิโสเป็นยอดพระพุทธคุณไม่ต้องสวดบทไหนแล้วจริงหรือไม่ครับถ้าสวดมนต์ผมควรสวดแต่อิติปิโสบทเดียวก็พอใช่ไหมครับสวดบทไหนก็ได้แล้วสวดเพื่อให้ใจเราสงบสวดเพื่อให้ใจเราไม่คิดฟุง้งซ่านนั้นบทไหนก็เหมือนกันมั น, ม, นมันเป็นเหมือนอาหารจะกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วกินข้าวต้มมันก็อิ่มเหมือนกันะ น, นการสวดนี้สวดเพื่อให้ใจระงับความฟุ้งซ่านทำให้ใจว่างใจเย็นแต่ยังไม่รวมถ้าอยากจะให้ใจรวมให้นิ่งต้องหยุดสวดแล้วก็ดูลมต่อพอสวดไปจนทั้งรู้สึกว่าใจสบายไม่คิดอะไรแล้วทีนี้ก็ให้มันดูลมหายใจต่อเพ่งดูลมไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่คำถามจากคุณเชิดถามเรื่องปีชง และการเชื่อดวงดาวหมอดูหมอดาวครับออต้องไปที่อื่นนะที่นี้ไม่เคยศึกษาไม่รู้เรื่องปีชงไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ขออภยัยเรียนแต่อริยาศัสต ร, ร์สี่มักแปดคำถามจากคุณเอ๋เราปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงค่ะรู้สึกไม่ก้าวหน้า วันหนึ่งต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงดีคะที่จะทําให้ก้าวหน้าอ๋อตั้งแต่ตื่นจนหลับไงพระพุทธเจ้าสอนพระให้ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับลื่ตาขึ้นมาก็ให้ใช้สติควบคุมจิตแเวลาทําภารกิจอะไรต่างๆก็คอยควบคุมอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับภารกิจที่ทําอยู่แล้วพอว่างก็เป็นเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงเวลานอนสี่ทุ่มแล้วก็ใหนอนแค่สี่ชั่วโมง พอตีสองก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อจนสว่างจนถึงเวลาไปบินธบาติเวลาบินธบาติก็ให้มีสติคอยกำกับใจไปเรื่อยเวลาฉันก็มีสติเวลาล้างบาตรเวลากวาดเช็ดถูศาลาก็มีสติพอเสร็จภารกิจการงานก็กลับมาเดินจงกรมใหม่นั่งสมาธิใหม่เนี่ยต้องปฏิบัติแบบตลอดเวลาต่อเนื่องแล้วรับรองพระพุทธเจ้ารับรองว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือน เม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะบรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้คำถามจากคุณแพทย์พระอาจารย์คะทำอย่างไรอารมณ์ในการทรงสมาธิอารมณ์ปิติในการฟังธรรมให้อยู่ได้นานๆแบบถาวรคะก็ต้องฝึกบ่อยๆฝึกสติบ่อยๆแล้วก็ใช้ปัญญายุดระงับความอยากทุกชนิดที่โผกขึ้นมาแล้วจิตก็จะมีแต่ความสงบมีความสุขตลอดเวลา คำถามจากคุณเปาขออนุญาตถามครับเสาร์อาทิตย์ผมขับรถไปเรียนต่างจังหวัดแล้วเกิดอาการง่วงเลยดื่มกาแฟเพื่อจะให้ลดอาการง่วงแบบนี้ถือเป็นความอยากไหมครับก็ไม่เป็นแะแต่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นวิธีแก้แก้ความง่วงที่ไม่ถูกเพราะมันจะติดกาแฟมันก็เป็นเหมือนความอยากพอเวลาง่วงก็ต้องดื่มกาแฟแบางทีเวลาไม่ง่วงก็อยากจะดื่ม พรมันติดกาแฟขึ้นมามันก็กลายเป็นความอยากต่อไปเอ็นวิธีที่จะแก้ความง่วงก็คือจอดรถแล้วก็ล้างหน้าล้างตาซะใหม่หรือถ้ามันง่วงจริงๆก็นอนพักๆหนึ่งให้มันหายง่วงแล้วให้ขับรถต่อไปจะดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไปไ ป, ไปเป็นไปสร้างปัญหาใหม่เอาวิธีแก้ปัญหานี้มาเป็นการสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่กลายเป็นไปติดกาแฟต่อ น, นีหมดแล้วแหรอยังยังมีอยู่ครับมีใครอยากจะถามไหมอ่าถามมาอยากทราบว่าบทสวดนบางบทอย่างเช่นบทบทนี้ช่วยกันกันภัยหรือบทนี้ไม่หรอกไม่ช่วยไม่ได้แล้วไม่ได้บทส่วดมนต์ก็เป็นเพียงแต่คําสอนของพระเจ้าเท่านั้นเองไม่มีไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บหรือรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้ เลือรักษาให้แฟนให้สามีซื่อสัตย์กันเรานี้มันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีหรอกเป็นเพียงแต่ความเชื่อเท่านั้นเองมันเพียงแต่ทาให้ใจเราสบายเวลาเราสวดแล้วเราจะได้ลืมเรื่องที่ทําให้เรากังวลได้เท่านั้นเองและสวดบทไหนก็ได้ความจริงบทสวดบนต่างๆนี้ในอดีตมันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระท่านต้องการที่จะรักษาให้มันยุคงอยู่ก็เลยต้องมาสวดกันจับจดจํากันการ การสวดเพื่อเป็นการจดจําเพื่อจะได้ถ่ายทอดเวลาหลังจากที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็จะได้เอาคําสอนที่จดจํากันนี้มาถ่ายทอดสอนกันเป็นทอดทอดดังนั้นบทสวดมนต์จริงๆแล้วเป็นบทเป็นคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ถ้าเราฟังแล้ไม่เข้าใจเราก็จะไม่ได้ปัญญาเราก็จะได้เพียงแต่สติได้สมาธิเกิดใจเราจะสงบไม่คิดปรุงแต่งไม่ฟุ้งซ่าน แต่ถ้าเราเข้าใจความหมายเราก็จะได้ปัญญาอ๋พระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เะฉะนั้นบทสวดมนต์ต่างๆนี้มันเป็นคำสอน <Yes. S 1> มันจะเป็นสิ่งที่เป็นความรู้ถ้าเราเข้าใจความหมาย <Yes. S 1> ถ้าเราอยากจะเข้าใจความหมายเราก็ต้องไปอ่านคำแปลของบทนี้ว่าท่านแปลว่าอะไรอนี้สวดมนต์ก็ได้ถ้าปิดมนต์ก็ได้สมัยที่เราเริ่มหัดใหม่ๆแล้วก็สวดบทแปล พอเราจะได้เข้าใจความหมายแล้วสวดบทสติปัฏฐานสูตรเนี่ยแต่มันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองสมัยก่อนเราไ ด, ได้ธรรมะมาจากอยากทางประเทศศรีลังกาเป็นภาษาอังกฤษเราก็เลยท่องมันไปท่องประมาณสามี่กว่านาทีนั่งไปพอตอนต้นนั่งใหม่ๆนั่งไม่ได้มันคิดก็เลยบังคับให้มันสวดให้มันท่องบทเนี้ท้อท่องไปมันก็เลยนั่งได้นาน แล้วพอส่วนท่องได้สี่สิบกว่านาทีมันก็ไม่ได้คิดอะไรก็นั่งดูลมต่อได้พุทโธต่อได้ใจก็สงบรวมได้อาจารย์ครับขอแย้ถามครับการจําพระสูตรต่างๆที่พระพุทธองค์ท่านประทานมาให้นะฮะมันจะมีผลกับการที่เราระหว่างที่เราพิจารณาทำไหมอาจารย์มันจะมีผลมีมตอนปัญญาถ้าเราช่วงระดับปัญญามันก็จะมีผลแต่ช่วงทำสมาธิเราไม่ต้องไป ไปไปรู้ความหมายไม่ต้องการให้ใจคิดพก็แสดงว่ญญาช่วงเจริญปัญญานี่เราก็ต้องอาศัยสัญญาที่เราจดจำพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาใ ช, ใช่ที่ครูบาอาจารย์สอนเช่นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากสิ่งที่เราอยากเป็นตายรักเนี่ยค่นี้ก็เป็นปัญญาที่เราจะต้องเอามาใช้ในการที่เราจะกําจัดความอยากต่างๆดับความทุกข์ต่างๆเราจึงต้องฟังก่อนว่าจะทําทํางานให้ความอยาก ที่สร้างความทุกข์ให้กับเรานี้มันหมดไปเวลามันโผล่ขึ้นมามเราก็ต้องรู้จักวิธีว่าอ๋อเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นทุกข์<ม>พอเรารู้มันเป็นทุกข์เราจะได้ไม่อยากอาจารครับถ้าทําทบุญให้กันไม่ได้อย่างทําให้ลูกก็ไม่ได้เงนี้ยแล้วถ้า<ม>ถ้าลูกยังไม่โตห่ามันยังไม่ได้เราตายก่อนก็ ล, ลูกก็ไม่ได้บุญเนะีครับก็ได้วิธีเราสอนให้เขารู้จักวิธีทําบุญเนี่ย สอนให้เขาใส่บาตรสอนให้เขาเอาเงินใส่ซองให้อะไรเนี้ยสอนให้เขาไปก่อนแล้วพอเขาโตพอก็เริ่มมีเงินทองเขาก็จะทําเป็นถ้าไม่สอนเขาพอโตขึ้นมามีเงินก็ไม่รู้จักทําบุญจะไปเที่ยวไปกินอาไปดื่มไปเล่นกันมันก็จะได้ติดนิสัยไปสมอถ้าเกิดเขาตายไปเขาก็จะได้ติดนิสัยว่ารู้จักวิธีทําบุญพอก็มีเงินทองของเขาเองเขาก็อยากเขาก็จะทําบุญของเขาเขาจะทำเป็น ถ้าเราไม่สวนเขาเวลาเขาโตขึ้นเขาังไม่ทําบุญเข้าใจไห ม, มาิุวันเต้อ ส, สมมร่ ก, ก็ได้สวดก็ได้ไม่สวดก็ได้แล้วแต่ความพอใจบางทีถ้าฟุ้งมากๆนั่งแล้วไม่สงบนั่งไม่ได้มันคิดอยู่เรื่อยๆก็สวดไปก่อนสวดเพื่อจะได้ลดความกังวลลดความคิดต่างๆให้มันน้อยลงไป พอมันไม่มีอะไรมารบกวนใจเราดูลมหายใจได้พุทโธได้แล้วก็ทำสมาธิต่อไปได้คำถามจากคุณวิบูลเวลาสิ่งเวลามีสิ่งมากระทบทำอย่างไรให้จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็ปล่อยมันให้มันมาเลยอย่าไปอยากให้มันไม่มาหรืออยากให้มันมาพออยากให้มันมาใจมันก็เอนไปละพอไม่อยากให้มันมามันก็เอนไปข้างมันไปลักไปชังละ อนั้นก็ต้องทําใจให้อยู่กลางให้รู้เฉยๆวิธีที่จะทําให้ใจรู้เฉยๆอยู่กลางก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้มากๆถ้าไม่มีสติสมาธิมันจะเองไปเองมาตามความอคติ4ี่ประการรักชังกลัวหลงเนี่ยพอเห็นอะไรมันจะเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาแล้วมันก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ถ้ามันมีสมาธิมีสติมันจะควบคุมใจให้อยู่กงกลาง ระหว่งางรักชังกลัวหลงได้ให้รู้เฉยๆ mm hmm. งั้นเราต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิแล้วใจเราจะตั้งมั่นเวลาอะไรมากระทบมันก็จะไม่หวั่นไหวถ้ามันไหวก็แสดงว่าสติเราไม่พอหรือว่าถึงแม้สติพอบางทีมันก็ยังหวั่นไหวอ ย, อยู่ก็ต้องใช้ปัญญามาช่วยล้วต้องใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นอนัตตาของที่มากระทบกับเรานี้เราไปห้ามมันไม่ได้เหมือนดินฟ้าอากาศนี่เราไป เราถูกมันกระทบอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเราก็อยู่กับมันได้ฝนตกแดดออกเราก็อยู่กับมันไปเพราะเรารู้ว่าเราไปทําอะไรไม่ได้แต่คนนี่เรากับทําใจไม่ได้พอใครมาทําอะไรไม่ถูกใจหน่อยใจเป็นบ้าขึ้นมาแลนะพอไม่มองเขาว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศพอเห็นว่าเขาเป็นดินฟ้าอากาศไปห้ามเกาไม่ได้เขาเขาจะมาพูดมาทําอะไรเราไปห้ามเกาไม่ได้เราก็มองว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ เราก็หัดอยู่กับมันไปเราก็จะไม่เป็นบ้าเราก็จะเฉยๆได้คำถามจากคุณแจงครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ได้ยินมาว่าเวลาเราใส่บาตรเวลารับพรจากพระไม่ควรนั่งยองๆเพราะพระสงฆ์ท่านจะอาบัติจริงหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกฎในอดีตที่เขาว่าเวลาพระยืนพูดก็ต้องยืนกับพระ นั่งนั่งนั่งนั่งถือว่าไม่ไม่เคารพแต่ในสมัยปัจจุบันมันกลับกันแล้วถ้ายืนคุยกับพระหาว่าไม่เคารพต้องนั่งถึงจะเคารพนั้นเราก็ต้องดูดูสถานะดูธรรมเนียมของสมัยที่เราอยู่สมัยก่อนสมัยนั้นก็ถือว่าจะต้องยืนพระยืนคนฟังก็ต้องยืนพระนั่งคนฟังก็ต้องนั่งแต่สมัยนี้ไม่ได้เป็นอย่า ง, ง น, นั้นพระยืนคุยกับยืนคุยกับพระไม่ดีไม่ไม่ถูกต้องนั่ง เพราะฉะนั้นไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปกั ง, งลวลมันเป็นเรื่องของอาการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนัป้นพระก็ไม่อาบัดหรอพกพระญาติโยมก็นั่งรับพรกันต้นองเยอะแยะเวลาพระให้ยืนเบญทบาทให้พระเขาญาติโยมเขาก็นั่งกันส่วนใหญ่มันเป็นธรรมเนียมฉะนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าเป็นอาบัดถ้าจะนอกจากว่าจะยึดติดในในในกฎเดิมมันก็เป็นอาบัด แต่มันก็เป็นกาอาบัติที่มันไม่ได้มีอะไรเสียหายมันเพแต่ว่าอาจจะดูไม่สวยงามคำถามจากคุณกิติสติกับจิตถือเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าครับสติต้องประคองจิตไม่ให้วอกแวกขอคำแนะนำสติกับจิตครับะจะว่าสติเป็นพี่ก็ได้จิตเป็นน้องถ้าจิตไม่มีพี่คอยประคองจิตก็เหมือนเด็กที่ไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแล เด็กมันก็จะเล่นไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดอะไรเกิดโทษเกิดปัญหาขึ้นมาถ้ามีผู้ใหญ่คอยคุมไว้พอจะไปเล่นกับไฟก็ดึงมันออกมาพอจะไปทําอะไรที่เสียหายก็ดึงมันหยุดมันก็จะเรียกว่าสติเป็นพี่จิตเป็นน้องก็ได้เอาอีกคาถามนึงนะครับคำถามสุดท้ายนะครับจากคุณประเสริฐทานบา ร, รมีทานอุ ป, ปบา ร, รมีทานนัปป ร, รมัตถะบารมีต่างกันอย่างไรครับ เราก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าเดาวมันก็คิดว่ามันเป็นระดับที่ต่ำและกลางและสูงมึงทาระดับต่ำก็คืออย่างเราเนี่ยทํานี่น้อยๆพอหอมปากอของคอระดับกลางก็ทํามากหน่อยระดับปรมัตก็ทําหมดเลยออกบวชหรือสละชีวิตได้เลยนี่ก็เป็นการเสียสละขั้นสูงสุดอย่างที่ท่านพระเจ้าบอกให้สละสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมถ้าปรมาตย์ก็สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมไปเลยถ้าสละสละทรัพเพื่อขั้นต่ำสละอวัยวะก็ขั้นกลางถ้าสละชีวิตก็ขั้นสูงอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิ จ, จารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิน